ตอนที่15พระนางมหาประชาบดีครั้งพระเจ้าสุดโททนะทรงประชวนหนักพระพุทธองค์ทรงพาพระนันทะน้องต่างมารดาและพระอานนท์ลูกเรียงพี่เรียงน้องของพระองค์พร้อมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จสูนครกรบิลพัทเพื่อเยี่ยมพระอาการ เมื่อแรกได้เห็นพระพุทธองค์ซึ่งทรงเป็นพระโอรสสุดที่รักอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสุดโทธนะทรงทุเลาขึ้นจนทุกทุกคนคิดว่าพระองค์จะทรงหายประชวนแต่ในสองสามวันต่อมาได้กลับประชวนหนักลงไปอีกเพระทรงชรามากเกินกว่าที่จะมีกำลังต้านทานความเจ็บไข้ได้และทรงสิ้นพระชนงท่ามกลางความโศกเศร้าของคนทั้งหลาย เมื่อราชสวามีสิ้นพระชนงดังนี้พระนางมหาประชาบดีพร้อมทั้งสตรีจำนวนหนึ่งผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดและแม่ยอมอยู่ในที่ใดโดยปราศจากพระนางโดยขอติดตามไปทุกหนทุกแห่งนั้นได้พากันไปทูลขอร้องพระพุทธองค์ให้ทรงเมตตายินยอมรับสตรีเข้าบวชเป็นบนรรพชิตอยู่ภายใต้การแนะนาสั่งสอนของพระองค์เช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลาย แต่แม้พระนางจะทรงวิงวอนถึงสามครั้งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธโดยทรงขอร้องพระนางอย่าได้ทูลเช่นนั้นกับพระองค์เลยพระนางและสตรีทั้งหลายก็พากันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่ได้รับความผิดหวังเมื่อทรงปลงพระศพพระบิดาเสร็จสิ้นแล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จจากนครกบิลพัท ทรงจาิกไปตามสถานที่ต่างๆจนสมัยหนึ่งได้เสด็จถึงเมืองเวสาลีและประทับอยู่ณป่ามหาวันส่วนพระนางมหาประชาบดีก็ได้ตัดพระเกศาของพระนางออกทรงคลองผ้าอย่างนักบวชพร้อมด้วยบรรดาสตรีนั้นเดินทางไปยังเมืองเวสาลีทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าทีละเล็กละน้อย ล่วงเวลาเป็นอันมากกว่าจะถึงป่ามหาวันอันเป็นที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่พระอนตลได้มาพบพระนางยืนกันแสงอยู่นอกพระวิหารด้วยพระอาการที่น่าสมเพชยิ่งนักฝ่าพระบาทนั้นบวมพองมีฝุ่นจับทั่วทั้งองค์สูบเศร้าและอ่อนเพลีย จึงทูลถามว่าพระนางกันแสงเพราะเหตุใดพระนางตรัสว่าท่านอ น, นุนมีชั้นร้องไห้เพราะเกรงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงปฏิเสธการมาขอบวชของพวกอีชั้นอีกพระอาน น, นุ์ให้พระนางรออยู่ณที่นั้นก่อนแล้วเข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พร้อมทั้งบิงวรนขอให้พระพุทธองค์ทรงเมตตาประธานอนุญาตให้พระนางและสตรีเหล่านั้น บวชได้เช่นเดียวกับบุรุษพระดรําปฎตอบของพระพุทธองค์ต่อพระอานนุ์ในขณะนั้นมีว่าอย่าเลยอา น, นุ์อย่าเลยอย่าขอสิ่งเช่นนี้กับเราเลยแต่พระอานนุ์ก็ไม่ได้หมดความพยายามหรือท้อถอยได้ทูลวิงวอนแล้ววิงวอนอีกเป็นครั้งที่สองและที่สาและพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธ เช่นเดียวกันทั้งสามครั้งพระอนนต์ได้รำพึงในใจว่าเมื่อทูลขอตรงตรงไม่ประทานอนุญาตจักลองใช้วิธีอื่นดูจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรีที่สลักเย้าเรือนนั้นถ้าออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยของพระธถาคตอย่างเคร่งครัดแล้ว จะสามารถบรรลุธรรมวิเศษทั้งสี่ชั้นตามลำดับแห่งอัดถังคิกกมักเพื่อบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าอานนท้าสตรีสละเย่าเรือนออกบวชในธรรมวิญญาณนี้ก็อาจเป็นพระอรหันต์ลุถึงนิพพานได้ในชาติอันเป็นปัจจุบันนี้เหมือนกัน พระอนนุ์ได้กราบทูลต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดพิจารณาดูเถิดพระนางมหาประชาบดีแห่งราชวงศ์โคตมะนี้เป็นพระกนิตฐาพัคินีแห่งพระมารดาของพระองค์เป็นพระนานางซึ่งรักพระองค์ยิ่งกว่าโอรสของพระนางเองและยังเป็นพระมารดาบุญธรรมผู้เฝ้าฟูมฟักธนุถนอม และถวายนมแด่พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระนางได้ทรงอบรมสั่งสอนพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตั้งแต่พระมารดาสิ้นพระชนข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้โปรดประทานอนุญาตเพื่อเห็นแก่พระนางและทรงโปรดให้สตรีทั้งหลายมีโอกาสเช่นเดียวกับบุรุษได้บรรลุธรรมอันประเสริฐที่พระองค์มีไว้ประทานแก่ชาวโลกนั้นเถิดพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเอาละอานน์ถ้าพระนางเต็มพระทัยปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ถือว่าพระนางได้อุปสมบทแล้วจากนั้นพระองค์ได้ตรัสถึงกฎจึงทรงตั้งไว้แปดประการนั้นว่าสตรีนั้นแม้บวชนานเท่าใด ก็ ต, ต้องทำความเคารพแก่ภิกษุซึ่งแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม ต, ต้องไม่อยู่อาศัยในถินที่ไม่มีภิกษุอยู่ด้วยต้องรับคําสั่งสอนทุกๆ ก, ก, ก, กึ่งเดือนจากพระภิกษุซึ่งสงฆ์ได้มอบหมายหน้าที่ไว้ต้องปวารณาเปิดโอกาสให้สงฆ์ทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีว่ากล่าวตักเตือนชี้โทษได้ในวันปวนารณา ถ้ามีอาบัติโทษอันชั่วหยาบจะต้องได้รับการพิจารณาโทษและออกจากอาบัติทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้อ ง, อ, งอยู่ประพฤติวัดเป็นสิบขมานาเป็นการทดลองไม่น้อยกว่าสองปีจึงบวชได้ต้องไม่พูดคำหยาบ อ, อย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระภิกษุและ ต้องไม่ทำตนเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุแต่จะต้องเป็นผู้รับคำตักเตือนจากภิกษุอาณ น, น์ถ้าหากว่าพระนางมหาประชาบดีรับถือกฎอันเฉียบขาดแต่ประการ น, นี้ได้อย่างเคร่งครัดจนตลอดพระชนมายุแล้วก็ให้ถือว่าพระนางเป็นภิกษุณีแล้วโดยสมบูรณ์เถิด พระอานท์ได้รับเอาพระพุทธานุญาตนั้นมาทูลพระนางตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสทุกประการพระนางทรงรู้สึกปลาปลื้มและดีพระไทยมากตรัสแก่พระอานท์ว่าท่านอานท์กดแปดประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัยอันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งเมื่อคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้าชำระกาย และศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้พระจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังชันใดอีชั้นก็จักเพิดอทูลกฎแปดประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันพระอนน์ได้กลับเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระนางมหาประชาบดีทรงเต็มใจรับสมาทานกฎแปประการที่พระองค์ทรงบัญญัติแก่พระนางอย่างเคร่งครัดบัดนี้พระนานางของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นภิกษุณีสมประสงค์แล้วพระเจ้าคะ่ะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับทรงตรัสว่าอานอนนเอยธรรมวินยัย ซึ่งมีสตรีรับเอาไปประพฤตรร่วมอยู่ด้วยจักไม่ตั้งมั่นยืนนานเปรียบเหมือนตระกูลที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อยไม่สามารถผจญต่อความเบียดเบียนของโจรผู้ร้ายได้มันเหมือนกับนาข้าวสาลีหรือไรอ้อยซึ่งถูกเพลี้ยลงจับย่อมไม่เจริญงอกงามไปได้นานชั้นใดก็ชั้นนั้น ซึ่งเหตุการณ์ได้เป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการการบวชของภิกษุณีซึ่งมีพระนางมหาประชาบดีเป็นองค์แรกนั้นมีอายุยืนยาวมาประมาณ500ปีแล้วก็สาบสูญไป